เอาใจกลับบ้านมาก่อนใจกลับมาอยู่กับตัวอะค่อยๆรู้สึกตัวไปสึกตัวให้สบายยังมีคนเดินอยู่ใจเรายังวิ่งไปวิ่งมานะสังเกตไหมว่ามันแฉลบไปหาคนอื่นตลอดเลยห้ามมันไม่ได้แค่รู้ทันเอาเฉยๆมันแสดงใครักให้เราดูบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ช่วยกันเรียนธรรมะของพุทธเจ้าไว้นะเรียน ต้องรู้จักเรื่องอริยาศาสตร์เรื่องใจรักเรื่องขันห้าเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องหลักๆต้องรู้วิธีทําสมาธิสมาธิสองอย่างสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเจะต้องเรียนต้องเรียนเรื่องการรักษาศีลสิ่งเหล่า น, นี้พวกเราต้องช่วยกันเรียนเอาไว้การรักษาศีลเบื้องต้นก็จงใจรักษาเจตนารักษาตั้งใจไว้ก่อน บอกตัวเองตื่นนอนขึ้นมาก็เราจะรักษาศีลห้านะวันนี้ก่อนจะกินข้าวบางวันก็ตั้งใจเราจะรักษาศีลห้าก่อนจะนอนก็ตั้งใจตลอดคืนนี้เราก็จะรักษาศีลหนะ้าเตือนตัวเองไปเรื่อยๆาการที่ไปบอกกับพระอะไรนะั่นคล้ายๆปฏิญาณตัวให้มีพยานรับรู้เท่านั้นนะ่ะว่าเราจะตั้งใจรักษาศีลถ้าเราไม่มีพระให้บอกนะเราก็บอกกับตัวเองอันนี้เบื้องต้นน่ะ จากนั้นเรามาพัฒนาการรักษาศาีลของเราให้สูงขึ้นเรียกว่ายินเสียสังวรศีลเวลาตาเรามองเห็นรูปใจเรายินดียินร้ายเราคอยรู้ทันหูเราได้ยินเสียงใจเรายินดียินร้ายเราคอยรู้ทันนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจเราคิดใจเรานึกปรุงแต่งเกิดอะไรขึ้นในใจเราเราคอยรู้ทันเรื่อยๆพอเราคอยรู้ทันนะี่กิเลส มันจะเกิดไม่ได้หรือถ้ากิเลสเกิดขึ้นมาแล้วมันจะครอบงําจิตใจเราไม่ได้เรียกว่าเรามีสติรักษาจิตอยู่คอยรู้ทันจิตเวลากิเลสมันผ่านเข้ามากิเลสครอบงําจิตไม่ได้จิตที่มีศีลโดยอัตโนมัติการรักษาศีลนง่ายมากเลยรักษาจิตดวงเดียวไม่ให้ถูกกิเลสครอบงําก็คือรักษาศีลทุกข้อและศีลจะมีกี่ข้อก็ไม่สําคัญหรอกรักษาันที่จิตอันเดียวนะจิตไม่ถูกกิเลสครอบงําไม่ผิดศีลหรอก เนี่ยค่อยพัฒนาการถือศีลขึ้นไปนะจากศีลธรรมดาธรรมดานะี่พัฒนาไปสู่ศีลของนักปฏิบัติศีลที่เรียกว่าอินสียสังวรอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรูปจิตใจเรามีกิเลสขึ้นมารู้ทันยินดียินร้ายรู้ทันอะไรเงี้ยหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งเกิดกิเลสอะไรค่อยรู้ทันไปเรื่อยกิเลสจะดับนะเรียกสติมันไปรู้ทันกิเลสกิเลสก็สลายตัวไป ใจเราไม่ถูกกิเลสครอบงำใจไม่ผิดศีละนะนะเนนักปฏิบัติต้องพัฒนามาสู่ศีลชนิดนี้ตั้งใจรักษาศีล5้าเฉยๆรักษายากรักษาที่มือที่เท้าที่ปากนั้นะโดยเฉพาะรักษาที่ปากยากที่สุดเลยปากระไว้ตั้งใจจะรักษาศีลหแป๊บเดียวพูดเพ้อเจ้อและพูดเพ้อเจ้อคือพูดโดยไม่จําเป็นต้องพูดศีลก็ดังพลอยแล้วหรือควรจะพูดแล้วไม่พูดนี้ไม่ดีนะ แล้รักษาที่มือที่เท้าที่ปากรักษายากแต่ถ้ารักษาที่ใจนะั้นมีสติรักษาจิตอันเดียวสีนัตโนมัติจะเกิดขึ้นมาในเราค่อยพัฒนานะส่วนการพัฒนาจิตให้มีสมาธิสมาธิมีสองอย่างการทําสมาธนะิสมาธิมี2ชนิดสมาธิชนิดที่1จิตไปสงบอยู่ที่ตัวอารมณ์สมาธิที่2จิตตั้งมั่นอยู่ที่ตัวจิตจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันจิตแปลว่า ผู้รู้นะเป็นตัวที่ไปรู้อารมณ์ธรรมชาติของจิตลักษณะของจิตก็คือเป็นผู้รู้อารมณ์คําว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์ไม่ใช่อนะิโมชันอารมณ์คือคําว่าออบเจกตีบสิ่งที่จิตไปรู้เข้างั้นรูปที่ตามองเห็นเนี่ยตามันจะเห็นรูปได้ก็มีจิตเป็นคนไปรู้นะงั้นรูปก็คืออารมณ์ทางตาที่จิตไปรู้อารมณ์ทางตาเรียกว่ารูปอารมณ์ที่จิตไปรู้ทางหูนะเรียกว่าเสียง นี่เป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกไปรู้เงั้นรูปเสียงกลิ ot, ่นรสผดทะพะผดทะพะคือสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวสิ่งเหล่านี้สัมผัสทางกายจิตไปรู้ความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวนะรู้ผ่านกายเงั้นความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวก็เป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้อะไรถูกรู้อันนั้นเรียกว่าอารมณ์ที่ใดมีจิตที่นั่นต้องมีอารมณ์ที่ใด้มีอารมณ์ที่นั่นก็มีจิต นะไม่งันก็เป็นวัตถุเฉยๆไม่มีคนไปรู้ก็ไม่ได้ว่าอารมณ์ก็เป็นวัตถุเฉยๆนะอารมณ์เปลว่าสิ่งที่ถูกรู้สมาธิก็เลยมีสองแบบสมาธิแบบที่1จิตไปตั้งอยู่ที่อารมณ์เห็นรูปจิตไปตั้งอยู่ที่รูปได้ยินเสียงจิตไปตั้งอยู่ที่เสียงไม่หนีไปที่อื่นยกตัวอย่างเรามีเทียนนะจุดไฟขึ้นมาสักดวงหนึ่งจุดเทียนตั้งไว้ข้างหน้าเรานะเราก็ใจเราจดจ่ออยู่กับแสงไฟ แสงไฟนั้นเป็นสิ่งที่ตาไปมองเห็นพอตาเรามองเห็นจิตเราไปจดจ่ออยู่กับแสงไฟจิตสงบอยู่ที่แสงไฟนั้นแสงเทียนนั้นนี่แหละเป็นสมาธิชนิดที่จิตไปสงบอยู่ที่อารมณ์เวลาเราฟุ้งซ่านเราเปิดเพลงฟังนะจิตเราเข้าเคลียอยู่กับเสียงเพลงไม่หนีไปที่อื่นเลยนี่จิตไปสงบอยู่ที่เสียงนี่เรียกว่าจิตไปอยู่ที่ตั้งอยู่ที่อารมณ์สมาธิที่ตั้งอยู่ที่อารมณ์ เราเห็นร่างกายหายใจนะเราก็ค่อยดูจิตจดจ่ออยู่กับการหายใจไม่หนีไปที่ไหนเลยการหายใจนั้นเป็นอารมณ์ให้จิตรู้นะเมเราดูไปเรื่อยตัวการหายใจนั้นก็คืออารมณ์ที่จิตไปรู้เข้านะถ้าเมื่อไหร่จิตของเราไปตั้งอยู่ที่อารมณ์เข้าไปเพ่งนิ่งอยู่ที่อารมณ์เมื่อนั้นเป็นสมาธิชนิดที่1เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมก็คืออารมณ์นั่นเอง ถ้าจิตทำสมาธิอย่างนี้จิตได้ความสุขได้ความสงบได้ความสบายนะไม่เกิดปัญญาสมาธิชนิดที่2จิตไม่ได้เคลื่อนไปตั้งอยู่ที่อารมณ์แต่จิตตั้งมั่นอยู่กับจิตจิตไม่เคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์นะจิตอยู่กับจิตจิตก็กลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเป็นคนเห็นอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปจิตเป็นแค่คนดูไม่อินเข้าไปในอารมณ์ไม่ไหลเข้าไปในอารมณ์นะเป็นคนดูอยู่ห่าง เห็นอารมณ์เคลื่อนไหวไปจิตเป็นคนดูอยู่ห่างๆจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ห่างเนี่ยตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองอยู่สมาธิชนิดนี้เรียกว่าลักขณูปนิชานอารามณูปนิชานที่จิตเคลื่อนเข้าไปอยู่ที่ตัวอารมณ์นะเอาไว้ทําสมถะกรรมฐานลักขณูปนิชานเนี่ยเอาไว้ทําอะไรได้บ้างเอาไว้ทํำวิปัสสนากรรมฐานในขณะที่เกิดอริยมรรคในขณะที่เกิดอริยผล ก็ต้องเกิดด้วยลักขณูปนิชานเพราะอาริยมรรคอริยผลเกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่อารมณ์มาตัดกันที่จิตนี่เองเพราะฉะนั้นสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเนี่ยเป็นของจําเป็นมากสําหรับนักปฏิบัติถ้าเราต้องการแค่ความสงบของจิตนะทาาำอริยมรูปนิชานเพ่งอารมณ์นะั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าเราอยากเจริญให้ได้วิปัสสนาเจริญอริยมรรคให้เกิดอริยมรรคอริยผลขึ้นมาเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วก็ใช้ทําสมาธิก็ได้นะ อย่างพระอริยะบุคคลเวลาจะทำสมาธิเนะี่ยจิตไม่ไปตั้งที่อารมณ์นะไม่จําเป็นเลยท่านจะน้อมไปตั้งกับอารมณ์ก็ได้จะน้อมอยู่ที่จิตก็ได้นะจิตอยู่กับจิตไม่เคลื่อนไปนะั้นก็เข้าฌานได้1นึ่งสองสได้เหมือนเหมือนกันงั้นลัคนู ป, ปนิชานจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่จิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนถ้าพวกเราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเออก็จะไปนั่งสมาธิกล่าวว่าสงบแล้วจะเกิดปัญญากี่ปีกีชาติก็ไม่เกิดปัญญา หลวงพ่อเล่นมาตั้งแต่เจขวบนะแต่ว่าทําได้แต่อารมณูปนิชานนะไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะใช้ไม่ได้เลยไม่เกิดอะไรเสียเวลานานต่อมาก็มาสังเกตว่าจิตมันเคลื่อนไปจิตก็ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นครั้งนี้เราได้ได้ลักขณูปนิชานขึ้นมาแต่เดินปัญญาไม่เป็นมีจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เคลื่อนไปใส่อารมณ์ตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นอารมณ์แต่จิตไม่เอาจิตดูอยู่ที่จิตอย่างนี้ไม่เกิดปัญญาแต่ว่า ต้องมีตัวนี้ให้ได้ก่อนนะพอจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตแล้วคันนี้ดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจของอารมณ์ทั้งหลายที่ทผ่านเข้ามานะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเป็นของถูกรู้ร่างกายเป็นอารมณ์ให้จิตรู้นะความสุขความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าก็เป็นอารมณ์ให้จิตไปรู้เป็นธรรมมารมณ์เป็นเรื่องอารมณ์ทางใจรูปเสียงกลิ load, ่นรสผนธพาภายนอกช่างมันไปไม่ต้องสนใจไกลเกินไป ให้ย้อนมาดูกายดูใจของตัวเองเอากายเอาใจของเราเอาความรู้สึกในใจนี่แหละมาเป็นอารมณ์กรรมฐานอารมณ์ภายนอกนะไม่ต้องเอามาใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานเรียนไกลตัวเกินไปใช้อารมณ์ภายในคือร่างกายของเราเองนี่แหละจิตใจของเราเองความสุขความทุกข์ที่เกิดในกายในใจนี่แหละกิเลสกุศลอะไรที่เกิดในจิตใจนี่แหละเราใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นอารมณ์กรรมฐานงั้นอารมณ์กรรมฐานท่านจะเน้นมาที่กายเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ จิตก็คือตัวกิเลสทั้งหลายนะกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นมากระจิตใจธรรมานุภัสนานั้นเห็นกระบวนการทํางานของจิตใจในการปรุงนิวรณ์บ้างปรุงโพชฌงบ้างนะเห็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทบ้างนี่เป็นกระบวนเห็นกระบวนการของมันรวมความแล้วมันก็คือกายกับใจของเรานั่นเองกรรมฐานเราจะไม่เรียนเกินกายเกินใจออกไปนะรูปที่ตามองเห็นเป็นอารมณ์ก็จริงแต่เรามันเป็นรูปภายนอกเราไม่เอานะ เรามาดูกายของตัวเองรูปภายในอารมณ์ภายนอกนะไม่ต้องไปรู้ของคนอื่นเขาเห็นคนอื่นเขามีกิเลสเลยในเรื่องของเขาเราดูกิเลสของเราเองกลับมาดูที่ตัวเราเองย้อนมาที่กายที่ใจของตัวเองใั้นกรรมฐานนะให้กลับมาเรียนที่กายที่ใจของตัวเองอย่าเรียนออกนอกมาเรียนเพื่อทําลายความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆถ้าไปเรียนออกข้างนอกไปทําลายความเห็นผิดตัวนี้ไม่ได้ต้องเรียนเข้ามาข้างในถึงจะทําลายความเห็นผิดว่าตัวเรามีจริงๆ ถ้าเห็นว่าตัวเราไม่มีเลยมีแต่รูปธรรม ท, ที่เกิดแล้วก็ดับนามรทำเกิดแล้วก็ดับนะก็ะเป็นพระโสดาบันถ้าเห็นความจริงต่อไปอีกรูปธรรมนามทาทำทั้งหลายซึ่งเกิดดับนั้นในความเป็นจริงแล้วเป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนะถ้าเห็นอย่างนี้จะหมดความยึดถือนะถ้าไม่ยึดถืออะไรเลยก็เป็นพระอระหันต์ถ้ายังยึดถือจิตอยู่อันเดียวก็จะเป็นพระนาคานะ แล้วค่อยมาเจริญปัญญานะมาฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูแล้วก็ดูกายดูใจทํางานดูของภายในอย่าไปดูข้างนอกนะดูของตัวเองดูให้เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นความจริงแล้วที่เหลือจิตเขาจะเกิดมารเกิดผลของเขาเองไม่ใช่เราทําให้เกิดเราทําให้เกิดไม่ได้นะเรียนหลักให้แม่นนะวันนี้วันสุดท้ายหลวงพ่อเลยสรุปให้ฟังนะเวลาเกิดระยะมรรคเกิด4ครั้งนะไม่มีครั้งที่ห้อีกต่อไปแล้ว ครั้งที่1นอริยมรรคเกิดครั้งที่1มันก็แหวกอาสวะกิเลสขาดออกไปอาสวะกิเลสเนี่เป็นสิ่งที่ย้อมจิตเป็นสิ่งที่ห่อหุ้มจิตนะไว้เหมือนเปลือกให้จิตอาศัยอยู่ใครเห็นเปลือกของจิตบ้างเหมือนจิตอยู่ในคูหาอยู่ในถ้าอยู่ในโพรงอยู่ในไหอยนะอยู่ในตูอ้อยู่ในแคปซูลใครเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างยกมือซิมีไหมนั่นแหละไม่ขาดนะทาําไงก็ไม่ขาดหรอกเวลาอาริยมรรคเกิดนะถึงจะขาดออกน้ที่ห่อหุ้มจิตอยู่นะ ต้องขาดครั้งที่1น่นะแวบเดียวนะ้ำกลับเข้ามาปิดอีกนะเข้ามาย้อมจิตได้อีกครั้งที่สองครั้งที่3ก็แว็บเดียวแหละครั้งที่4ถึงขาดแล้วขาดเลยเป็นธรรมนิยามนะเป็นกฎของธรรมชาติที่เป็นอย่างนี้แหละเป็นกฎของธรรมะที่เป็นอย่างนี้แหละเอาต่อไปใครมีการบ้านเชิญให้คนอยู่วัดก่อนค่ะก็หนูก็ว่าส่งภาพรวมนะคะหลวงพอ่อภาพรวมก็คือ หนูก็สรุปว่าโลกนี่ยมันเกิดจากความคิดนะคะก็เมื่อไหร่เราคิดปุ๊บมันก็สร้างโลกแล้วอย่างเงี้ยค่ะนั้นโลกภายในนะอรอบคือพบนั่นเองฉีดเราปรุงขึ้นเมื่อไหร่ก็เกิดพบขึ้นมาค่ะหลวงพ่อแล้วก็หนูจะถามหลวงพ่อว่าถ้าเราดูเราดูหลงคิดอย่างเงี้ยนะคะ อ, อย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะดูหลงคิดเนี่ยจะได้สองอย่างนะ อันหนึ่งจิตหลงคิดเรารู้ว่าหลงคิดจิตก็ตั้งมั่นเราได้สมาธิได้จิตที่ตื่นค่ะแต่ถ้าเราดูเรื่อยเราก็จะเห็นนีทั้งวันจิตมีสองชนิดมีจิตที่หลงคิดกับจิตที่รู้สึกจิตที่หลงคิดก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้สึกก็ไม่เที่ยงจิตที่หลงคิดห้ามก็ไม่ได้จิตที่รู้สึกก็รักษาไว้ไม่ได้อันนี้เรียกว่ามีปัญญางั้นถ้าดูจิตที่หลงคิดดูเป็นนะก็เกิดปัญญาได้แต่ถ้าดูไม่เป็นก็ไปจ้องเฝ้าอยู่ที่จิตจะได้แต่สมาธิไม่มีปัญญาููจะดดลงคิแบบว่า มันจะมีหลายสเต็ปว่าคือคือถ้าสเต็ปที่เราแย่ๆเนี่ยนะคะก็คือมาคิดไปแล้วเราก็ไม่รู้นี่เราหลงสุดขีดใช่ไหมคะหลวงพ่อแล้วก็บางทีมันก็รู้ตัวได้เร็วมันแคบลงมาบางทีมันก็แคบลงมาระดับที่ว่าเราเริ่มปุ๊บๆขึ้นมาเงนี้ค่ะมันก็ทำมันไหวขึ้นมามันก็มันก็รู้แบบเนี้ยมันก็จะแบบมันก็มันก็เรื่องจบเร็วอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อห้ามไม่ได้ เพราะว่าเราสั่งให้สติเกิดชา้า<ฤ>เกิดเร็วไม่ได้เขาเป็น<ห>เองทั้งหมดเลยดูออกไหมดูออกค่ะนั่นแหละที่เราต้องการเรียนแทบเป็นแทบตายนะก็เพื่อให้เห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราเลยมีแต่ของที่แปรปรวนเห็นวนอยู่อย่างนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็แบบว่ามันเหมือนกับว่าบางทีเราก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าเหมือนกับเราเห็นเราเห็นโลกในส่วนที่ว่า มันเป็นโลกปรุงแต่งอย่างนี้ใช่ไหมคะเราเห็นธรรมที่มันปรุงแต่งเราเห็นโลกที่มันปรุงแต่งเราเห็นด้านที่มันมีอ่ะแต่เราไม่เห็นด้านที่มันไม่ไม่มีเลยไม่ม่ไม่เห็นหรอกมันเหมือนกับมันปิดบังมันบดบันหลวัฏตะนะไม่ยอมให้เราเห็นหรอกสภาวะที่พ้นจากความมีความเป็นอ่ะฝึกกันนานนะฝึกกันจนมันวางก็จะเห็นตอนได้พระโสดาี่จะเห็นครั้งแรกเห็นสภาวะที่ไม่มีไม่เป็นอ่ะครั้งแรก หลวงพ่อคะสภาวะที่แบบว่าเวลาเราเห็นแล้วมันดับลงไปต่อหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันแคบแป๊ดอย่างเงี้ยค่ะคือหนูพยายามจะไปทางทางมันไม่ต้องทางให้นเป็นธรรมดานะถ้าทางจะไปติดในอากาสานัญญาตนะติดเข้าไปในช่องว่างไปทางช่องว่างไหยไม่แบบว่าหนูอาจจะพูดถึงเหมือนกับว่ามันก็จะไปดูให้ชัดว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นโลภะเกิดแล้มสติปัญญาไม่มีแล้วโลภะมันเกิดให้รู้ทันโลภะไป มาตรการค่ะหลวงพ่อคือจิตที่มันไหวๆอยู่ตรงหน้าอกเนี่ยเมื่อโยมเพิ่งนึกได้เมื่อวานเมื่อสีเดือนที่แล้วอะค่ะโยมก็มีอาการอย่างเนี้ยเป็นอยู่ประมาณเดือนกว่าจนโยมคิดว่าโยมไม่สบายก็ไปหาหมอก็ตรวจร่างกายทุกอย่างก็ไม่เป็นไรแล้วก็เลยยินยาอยู่พักนึ่งยินยาก็ไม่หายก็ไม่หายค่ะก็ะเลยเอ๊ะทำไมมันเหนื่อยเหมือนใจจะขาดใช่ตอนหลังโยมก็ไม่ดูแล้วล่ะ พอไปดูแล้วมันก็ไหวๆมันก็เหนื่อยแล้วยอมก็เลิกมาแล้วเพิ่งมานึกได้เมื่อวานที่มันนั่งตรงเนี้ยค่ะ ม, มันก็ไหวแบบเนี้ยไหวแล้วอย่างนี้ยมจะทํำยังไงต่อดีคะเห็นมันไหวนะจิตไม่ถลําเข้าไปถ้าจิตเกิดความยินร้ายให้รู้ทันแล้วถ้าต้องการพักผ่อนนะก็ทําทความสงบทําสมถะเวลาที่เราเดินปัญญาจนถึงขนาดเห็นความไหวของจิตนะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะเห็นแต่มันไหวจิตเที่ยนานี้สติมันจะอัตโนมัติแล้ว วิธีเบรกมันก็มีแต่การทำสมถะอันเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่มีทีเ่เบรกเลยถ้าทำสมถะได้จิตแช่มชื่นเบิกบานไปดูมันน้าที่ขาดสบ้านเลยแล้วโ ย, ยมจะกลับวันนี้แล้วโยมอยากได้กำลังใจจากหลวงพ่อคะ่ะ <c oughs> กำลังใจเหรอชีวิตเนี่ยเป็นของไม่แน่นอนความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้การผลัดตอนกับมัจุราชเนี่ยไม่มีใครทาได้ ภิกษุทั้งหลายก็เปเห็นอยู่อย่างนี้เนืองๆนะไม่ประมาท <c oughs> ถ้าเราภาวนาได้ถูกต้องนะจิตถึงจิตจริงๆนะจิตมีปัญญาจแจ่มแจ้งวางเป็นตามลำดับนะเราจะพบว่าพระพุทธเจ้ากับจิตเนี่ยเป็นอันเดียวกันเลยเพราะนั้นพระข้างนอกอันนี้พระสมมุติหรอกนี่พระสมมุตินะพระตัวจริงอยู่ที่จิตเราเองเราภาวนาจะจิตเราเป็นพระโยมต้องใช้พุทโธกากับ ได้พุทธโทธดีนะเจ้าค่ะอาจารย์มหาบัวเคยบอกหลวงพ่ อ, อเคยบอกด้วยตัวท่านท่า น, านเองเลยบอกต้องเชื่อเราหน้าอะไรอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านว่าอย่างนี้นะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองแล้วอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้เห็นหลวงพ่อไปบริกรรมพุทโธพุทโธโอจิตไม่เอาจิตทุกข์เหมือนจะแตกเลยจิตไม่ชอบแล้กลับมานึกเอ๊ะทำไมท่านให้พุทโธท่านให้พุทโธเพระจิตเราไม่เข้าฐานก็เลยมารู้ลมหายใจจิตเป็นคนดูปุ๊บเดียวก็เข้าฐาน แล้วแต่นิสัยแต่ละคนจริตนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าของโยมพุทโธได้พุทโธไปแล้วก็เห็นไหวๆไหวๆก็ต้องดูไปอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ได้ดูแค่ไหวๆหรอกไหวๆเป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าเพราะมันเห็นไหวๆแล้วจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเนี่ยให้รู้ทันตัวนี้ไม่ใช่รู้แค่ไหวๆนะแล้วรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจไหวๆไม่ใช่จิตหรอกสังขารต่างหากน่ะที่เราว่าเราดูไหวๆไหวๆไว่ไวไม่ใช่จิต ไหวๆคือสังขารคือความปรุงของจิตจิตเป็นคนไปดูมันเพราะฉะนั้นเมื่อจิตไปเห็นไหวไๆแล้วจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศ ล, ศลให้คอยรู้ทันจิตไหมเช่นดูจแล้วลำคาญ ร, รู้ว่าลำคาญอยากให้มันหายไปสักทีรู้ว่าหยากนะแต่ถ้าดูจนเหนื่อยไม่ไหวแล้วทำสมถะลืมการดูไปพุโทโธลูกเดียวเลยพุโทโธพุธโทโธไปจิตจะไปดูรู้ทันพุโทโธพุธโทโธจิตจะเคลื่อนไปดูรู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงได้พักพอพักมีแรงแล้วไปดูบางทีขาดเลยนะ อขอคุณเจาาการภาวนานะพอถึงขั้นละเอียดเนี่เหลือแต่หวยิบยับยิบยับนี่หลวงพ่อพูดสอนนะหลวงพ่อพูดสอนหลวงพ่อไว้การภาวนาพอถึงขั้นละเอียดจะเหลือแต่ไหวยิบยั บ, ย บ, ยบห ล, งนนะห ล, งลงวงตา ม, มหาบูเขามาลงที่เดียวกันสอนนั่นเดียวกันถ้าต่อไปคือช่วงนี้ช่วงนี้รู้สึกว่าจิตมันอําเกเลมันอะไรอวรโลกแล้วก็ มันไม่อยากปล่อยมันไม่ยอมปล่อยครับหลวงพ่อไม่นะมันยังยังไม่ยอมดูอย่างจริงๆนะครับมันยังแต่งมันยังปรุงจิตเดียวครับผมในจิตขนาดนี้ไม่เป็นธรรมชาติถูกไหมครับมันทําให้ดูนุ่มให้ให้หล่อหลอแบบครับให้เรารู้ทันมันเข้าไปเลยครับ ทีนี้ผมก็ปฏิบัติในรูปแบบอยู่อทุกวันอยู่แล้วครับแค่แค่นี้พอจะสู้กิเลสตอนช่วงนี้ไหวไหมครับหลวงพ่อไหวไหวทำไปเรื่อยนะครับผมการภาวนานะไม่ว่าจะแน่สักแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนไหนนะเจริญได้ก็เสื่อมได้ครับขนาดผ้านาคานะยังมีเสื่อมเลยคแต่เสื่อมของผ้านาคาก็คือตัวรู้มันหมองห<อ>มองไปนะฉะนั้นของเราจเจริญแล้วเสื่อมในเรื่องธรรมดาเราทําในรูปแบบสม่ําเสมอดีที่สุดแล้วล่ะครับผมแล้วก็ค่อยรู้ทันความปรุงของจิต นะครับครับผมขอพระคุณครับครับวกาบนมสรสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะเมื่อกี้นี้ได้ยินพระหลวงพ่อพูดถึงลัคนูปนิชานกับอารามานูปนิชานใช่ไหมเจ้าคะ่ะอนนี้ตัวของโยมเนี่ยภาวนามาเนี่ยมาจากการเพ่งอการเพ่งนี่ก็จะเป็นอารามานูปนิชานใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ว่าเพ่งตัวรู้ก็ได้นะเจ้าคะ่ะตอนนี้ตอนนี้เสร็จแล้วโยมเพ่งมันก็เกิดสภาวะทุกข์มาต่อเนื่องตอนนี้ โยมก็เคยได้ยินหลวงพ่อพูดว่าให้ทำใจสบายๆแล้วครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็บอกว่าอย่าให้ตามอารมณ์มแล้วก็ในพระไตรปิฎกก็บอกว่าให้ยกชานเป็นบาทอตอนนี้เสร็จแล้วโยมก็ทำใจสบายๆอย่างที่หลวงพ่อเคยบอกแล้วก็มันก็จะแสดงความแยกกันระหว่างลูกกับน้ำออกมาอย่างชัดเจนนี่แหละที่ว่าเอาชานเป็นบาทนะคือจิตมันตั้งมั่นขึ้นมานะเป็นคนรู้คนดูได้แล้วเป็นบาทเป็นฐานไว้ ที่ว่ามีฌานคือมีรักขณูปนิฌานเป็นบาทเป็นฐานไปจิตถ้ตั้งมั่นได้นะขันจะแยกเจ้าค่ะมันถึงจะเดินปัญญาได้เจ้าค่ะขันขันมันจะแยกออกกันแล้วแล้วมันก็จะเห็นส่วนจิตเนี่ยเขาเกิดดับอย่างรวดเร็วแต่ส่วนรูปเนี่ยเขาจะเกิดอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่าถูกต้องอ่าแล้วก็รูปนี่ก็เขาก็คือมีสภาวะทุกขโยมเห็นนะเจ้าค่ะใช่แล้วก็พรามันจิตมันตั้งมั่นแบบต่อเนื่องเนี่ยนะเจ้าค่ะมันเหมือนกับว่าทุกขเวทนาเนี่ย มันห่างห่างจากจิตไกลมากแล้วมันก็เหมือนท้าทายอ่ะเจ้าค่ะหลวงพ่ออย่าไปท้ามัน <laughs> ไม่คือเหมือนว่าจิตเราเนี่ยมันคล้ายๆว่ามันอานหานะเจ้าค่ะอ่านหาันพร้อมที่จะเจออารมณ์แบบสภาวะทุกแบบเนี้ยเจ้าค่ะแล้วก็มันภาวนาต่อมาเนี่ยคือสามปีแล้วไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อเจ้าค่ะพักหลังเนี่ยจะเห็นสภาวะของจิตที่มันเป็นกลางอะเจ้าค่ะหลวงพ่อ มันเป็นกลางได้ต่อเนื่องให้เราเห็นต่อเนื่องติดต่อกันค่อนข้างห ล, หลายวันนะเจ้าคะ่ะแต่มันก็เกิดดับเกิดดับก็พยายามสังเกตนะเจ้าคะ่ะแล้วก็พอมันเกิดลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะทุกข์ให้เราเห็นตอนนี้โยมเคยเรียนหนังสือมาบ้างก็มีความเข้าใจว่าจิตเนี่ยจะต้องไม่หวั่นไหวทั้งอิทธาลมและอนิฐาลมใช่ไหมเจ้าคะ่ะโยมก็กําลังดูไม่หวั่นไหวเนี่ยเป็นผลนะใช่เจ้าค่ะไม่ใช่เป็นเหตุ ้าโยมก็ดูจิตนะว่าอันนี้มันของจริงหรือของไม่จริงเจ้าคะ่ะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันจะเด่นชัดแล้วบ่อยเจ้าคะ่ะหลวงพ่อและอีกเรื่องหนึ่งที่โยมอยากถามก็คือว่าผลทางแห่งการที่จะรับสกายทิฐิเนี่ยเขาจะต้องทําทางให้เราเห็นก่อนใช่หรือเปล่าเจ้าค่ะหลวงพ่อสกายทินะฏฐิเนี่ยนะการเป็นโสดาปติมัคเนี่ยท่านบอกว่าเกิดด้วยทัศนะนะเกิดด้วยการเห็นถูกเท่านั้นเอง งั้นเราพาจิตให้เห็นของจริงไปเรื่อยนะในรูปธรรมนามธรรมมีแต่ของเกิดดับอะไรเงี้ยมีแต่ของบังคับไม่ได้ดูของจริงไปเรื่อยจะเขาเห็นความจริงว่าตัวตนไม่มีหรอกเขาก็ละไปคือมันมีอยู่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเจ้าคะที่ว่าโยมภาวนาอยู่โยมก็สวนว่ามันจะเป็นวิบากไม่ดีเจ้าคะมันจะมีสภาวะทุกเป็นปกติโยมก็เดินอยู่เดินอยู่ประมาณตีสองตสนะเจ้าคะแล้วโยมก็จับเอามือหน ที่สอนกันขโมอยอะเจ้าคะ่ะก็ก้มหัวลงจิตนี่มันมันเหมือ น, นกับมันแหวกออกจากในตัวเราวิ่งออกไปเลยทิ้งขันนะเจ้าคะ่ะหลวงพ่อในขณะนั้นเนี่ยมันไม่มันไม่มีขันไม่มีเราอะเจ้าคะ่ะแต่มันรวดเร็วมากเจ้าค่ะ ม, ม, มันเกิดอย่างนี้ขึ้นสองครั้งยมก็คิดพิจารณาอยู่ว่าเอ๊ะทำไมไม่กลับมาทวนอ่าก็คือไม่กลับมาทวนก็อ่าไม่เป็นไรก็เลยจะเรียนถามหลวงพ่อว่าตรงนี้เขาจะทําทางให้เราได้เห็นใช่ไหมเจ้าค่ะ คือเวลาตัดเนี่ยไม่วิ่งออกไปตัดเขานอกนะใช่เจ้าค่ะตัดตัวที่จิตนเองใช่มันทิ้งเลยเจ้าค่ะทิ้งจิตเลยอืเจ้าค่ะเหลือแต่ธรรมชาติรู้เหลือแต่ธาตุรู้เจ้าค่ะแต่ไม่ขาดความรู้สึกนะอ๋อมีความรู้สึกอยู่เจ้าค่ะมีความรู้สึกแต่ไม่มีภาษาไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีคําพูดเจ้าค่ะแล้วมันสว่างขึ้นมาไหมมันไม่สว่างเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่มันแต่มันเบามันบานไหมมันยิ้มแย้มหัวราะได้ไหม ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นเจ้าค่ ะ, ะไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะก็เลยจะเทียนถามมาหลวงพ่อว่าคือวิธีตรวจสอบตัวเองนะคืออยู่ในจิตที่เป็นธรรมดาที่สุดนะเราไปใช้จิตตอนธรรมดาที่สุดเนี่ยแล้วเราก็ค่อยสังเกตว่ามันมีเราขึ้นมาอีกไหมนะมีความรู้สึกว่ามีเราอะ่ะมีไม่มี แต่ตอนที่โยมเห็นอารมณ์ที่มันว่างๆเนี่ยมันไม่มีเราเจ้าค่ ะ, ะถ้าว่าตอนนั้นถ้าจิตไปติดล็อกนะติดความว่างติดอะไรอยู่ตัวเราไม่เกิดต้องเล่นตอนเปลือๆตอนที่ไม่ได้ภาวนา น, น่และแล้วก็สังเกตเกิดย้อนมาสังเกตนะถ้าไม่มีเราก็พอเชื่อได้อยู่บ้าง มันไม่มีเราแล้วก็มันไม่ใช่ว่าจิตมันจะนิ่งนะมันจะฆ่าหลวงพ่อจิตมันอาหารแล้วก็จิตเนี่ยมันพร้อมที่จะเจอฆ่าสึกแตอนนี้โยมก็ค้นน่ะเจ้าค่ะค้นว่าเอ๊ะมันเราอยู่ตรงไหนอถ้าค้นแล้วไม่เจอเจ้าค่ะตอนนี้ค้นเนี่ยหลวงปู่โดนใช้คําว่าใช้จิตสแสวงหาจิตนะอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอตรงนี้โ ย, ยมรู้โยมผิดเจ้าค่ ะ, ะแต่ว่าเอ่อพอมันมีเราขึ้นมาเนี่ยมันจะยึดหมดทุกอย่างใช่แต่ขณะที่สภาวะที่ไม่มีเรามันเกิดขึ้นเนี่ย มันไม่ยึดอะไรเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็ไม่ทุกข์ด้วยอเจ้าค่ะเนี่ยตัวเนี้ไปดูว่ามันเป็นผลที่แท้จริงหรือยังนะวิธีดูง่ายๆเลยก็คือเวลาจิตเราเป็นธรรมดาไม่ใช่จิตที่กําลังล็อกอยู่อย่างนี้นะเจ้าค่ะจิตธรรมดาเนี่ยมีเราขึ้นมาไหมถ้าอยู่ไปนานสามเดือนสี่เ ด, สเดือนก็ไม่มีแนละ้วก็พอเชื่อได้นะครูบาอาจารย์สอนวิธีไว้ให้อย่างนี้เพรมันไม่ยาวถึงขนาดนั้นเจ้าค่ะหลวงพ่อมันกคเห็นให้เห็นความไม่มีเราอยู่ประมาณ ไม่ตอนตอนเห็นนะ่ะตอนที่ปัญญาเกิดนะเห็นแว บ, บๆเท่านั้นเห็นชั่วขณะเท่านั้นแหละนะแต่ว่าตอนที่เราจะมาทวนดูเพราะตอนนั้นเราไม่ได้ทวนเราจะมาทวนดูว่าจะมีเราหรือไม่มีเราเนี่ยเราไปดูตอนที่จิตเป็นธรรมดามีพระองค์หนึ่งมาหาหลวงพ่อนะบอกว่าไม่มีกิเลสแล้วนะจิตไม่ได้ยึดอะไรเลยปรากลัว่าจิตเนี่ยแผ่ตัวไปกว้างนะคลุมโลกธาตุไปหมดเลยไปล็อกอยู่ในสภาวะอย่างนี้อยู่แล้วไม่เห็นว่ามันล็อกอยู่นะแล้วก็บอกไม่มีกิเลสเลย จิตในขณะนั้นดูไงก็ไม่มีกิเลสแล้วมันนิ่งๆว่างๆนะไปติดคาอยู่กับที่ว่างๆหลวงพ่อ บ, บอกท่านว่ากลับไปดูกายท่านไม่เชื่อนะท่านบอกท่านภาวนาแหมละเอียดขนาดนี้จะให้ไปดูกายไม่ยอมนะเจนกรทั่งวันหนึ่งนะผ่านไปเป็นเดือนๆหลายเดือนเลยวันหนึ่งไปกวาดวัดเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะจิตหลุดจากที่ล็อกออกมานะเห็นเลยว่ายังมีกิเลสอยู่อีกดูออกไหมว่ามันอึนอดอัดดออกไหมว่ามันเจือโทสะ อ่ะมันมีกดๆอยู่เจ้าค่ะหลวงพ่อไม่มีโทสะนะเนี่ยรู้ทันมันเข้าไปเลยก็ท้อเหลือกมันรู้ทันมันเข้าไปเจ้าค่ะอย่างน้อยตอนนี้หลวงพ่อตอบได้อย่างเนี้ยไม่ใช่ผ้านาคายังมีโทสะอยู่แล้วจิตยังเคลื่อนไปเคลื่อนมาไหมตอนนี้รู้สึกมันจะแบบมันถ้ามันคาที่คงที่อยู่อย่างเงี้ยนะเออมันตั้งใจโดยที่เราไม่ใช่ผ้านาคาแต่ไม่ไปไหนเลยนะแสดงว่าประคองไว้ เจ้าค่ะแต่ว่าสึกช่วงหลังนิวรนก็กุ้มหลุมน้อยเพราะเพราะว่าถ้าสมาธิเราดีนิวรนมาไม่ได้เจ้าค่ะบางครั้งโยมก็เคยเห็นของที่มันสติแบบมันเกิดแบบอัตโนมัติขึ้นมาเนี่ยมันง่ายๆ่าเจ้าค่ะง่ายง่คือมันพอถึงบอกว่าง่ายมากเลยใช่โยมก็แปลกใจว่ามันครูบาอาจารย์เคยพูดง่ายๆเราไม่เคยเห็นแต่ว่าพยายมเกิดจะบอกมันง่ายๆเหมือนคนโงงๆทําอะไรอย่างนั้นนะเจ้าค่ะหลวงพ่อดูไปซื่อ กลับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะเออหนูยังติดจิตที่มันเข้าไปอยู่ข้างในยอย่างแล้วมันจะซึมทื่อๆอย่างก็างามาดูกายสิมันจะหายไหมคะหลวงพ่อเอามารู้ร่างกายเคลื่อนไหวไปเรยอย่าไปดูจิตมัน เ, เดี๋ยวมันก็หลุดออกมาก็ตอนหลังก็พยายามตื่นขึ้นมาทํารูปแบบทุกวันนะคะก็เดินก็ดูว่าตัวเองเหมือนกายเดินแล้วก็เห็นจิตที่คิดกับอารมณ์สลับกันไปแล้วก็เหมือนแต่มันก็ตื่นขึ้นมาแล้ก็ซึมเรียบร้อยเลยค่ะหลวงพ่อ นั่นแหละอย่าไปตั้งใจปฏิบัติมากนะที่ปฏิบัติแล้วก็น้อมไปเราคิดว่าจิตจะต้องสงบไงน้อมไปน้อมอมาเลยสืมแทนนะลืมเรื่องปฏิบัติไปแล้วก็ดุกกระดิกไปแล้วเห็นร่างกายทํางานใจเป็นคนดูแค่นี้พอละแล้วก็มีมีอยู่วันค่ะหลวงพ่อแบบว่าเหมือนเกิดโมโหเหมือนกันแล้วก็เดินแบบตั้งใจนิดนึงก็บอกเดินแล้วก็บอกว่า ก, า ก, กระดูกเดินกระดูกเดินอย่างสักพักมันเป็นความรู้สึกว่ามันเริ่มนิ่ง เหมือนกับมันสงบขึ้นอะค่ะใช่อะนั่น เ, เป็นการพิจารณากายนะจะได้สมาธิแล้วแล้วพอมานั่งอาา่ะค่ะพอนั่งสมาธิก็ก็ดูความคิดอะไรไปมันก็รู้สึกถึงกระดูกอาา่ะหลวงพอแล้วมันก็ใจมันบอกตัวเองว่ากระดูกมันไม่ใช่เราแต่นั้นมันเหมือนในใจมันพูดจริงๆอะเ อ, อต้องอ้งน่นนัแล้ว<ส>แล้วแบบมันมีความรู้สึกว่ามันน้ําตามันไหลแต่ว่าตอนนั้นใจไม่เศร้านะ่ะแต่ว่ามันเหมือนข้างในมันร้องไห้อะค่ะใช่ดีแล้วล่ะ ต่อไปก็ดูไปเรื่อยนะกระทั่งจิตก็ไม่ใช่เรานะไม่ใช่แค่กระดูกไม่ใช่เราหรอกจิตที่เป็นคนรู้เราก็สั่งมันไม่ได้แ้า ถ, ถ้าเห็นได้นะก็ดีแล้วะอย่างนี้มันเกิดเพราะเพราะยังไงอะะมันมีปัญญาสิมันมีปัญญานะจิตมันสลดสังเวชนะแต่ไม่ได้เศร้าหมองไม่ได้เศร้าอ่าจิตมันสลดสังเวชเห็นไหมจิตมันสลดได้เองเราไม่ได้เศร้าจิตกับเรามั็นคนละอันกัน ค่ะแต่ตอนนั้นเหมือนรู้เลยว่าใจมันไม่ได้เศร้าแต่ว่าทําไมเขาร้องไห้อย่างเงี้ยนะโคลานกันไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวค่ะดีนะที่เห็นนะหลวงพ่อคะอย่างเวลาเราเห็นความคิดน่ะแล้วพอเราเห็นมันว่าเอ้ยมันก็ความคิดแล้วมันก็ดับตอนที่ดับลงไปอะใจมันก็เบาโล่งเงี้ยอันนั้นคือความว่างหรือเปล่าคะเราอย่าไปเอามันนะมันดับลงไปเราก็รู้มันว่างๆก็รู้มันปรุงแต่งขึ้นมาใหม่ก็รู้เราไม่ได้ภาวนาเอาว่างๆ เราก็ให้เห็นในปรุงแต่งก็ไม่เที่ยงว่างก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอนะไม่ได้ยุดตัวนี้นะค่ะจะดูทุกตัวมเท่าๆกันหมดเกิดดับเท่ากันคค่ะขอบพคุณค่ะคือเคยเคยปฏิบัติแบบเวทนามาสักสิปีได้แล้วนะคะแล้วก็มาฟังซีดีปฏิบัติเวทนาขันแยกไหมล่ะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตรู้สึกว่าความเจ็บมันมีอยู่อ เป็นเป็นเป็นความเจ็บมีอยู่แล้วก็มีมีตัว ม, มีเจ็บมีมีดูมีคนดูใช่เนี่นก็ใช่อย่างนั้นก็ได้ทีนี้พอเรามาดูจิตแล้วทีนี้มันคิดไปเองว่าร <c oughs> ู้สึกอยากอยากจะไปเข้าคอร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับไปเข้าคอร์สเนี่ยมันจะกระทบกระเทือนอะไรไหมคะที่จริงแล้วเราไปเข้าคอร์สไปอะไรเนี่ยนะเพื่อไปเรียนวิธีปฏิบัตินะเมื <c oughs> ่อเรารู้วิธีปฏิบัติแล้วเนี่ยทางใครทางมันนะ อย่างเรากําลังใจเรากําลังภาวน า, ากําลังจะเกิดอริยมรรคอยู่แล้วได้เวลาไปกินข้าวพร้อมกันแล้วเสียหายเลยหรือตอนนี้เราควรจะนั่งเขาก็เรียกให้ไปเดินนี่เสียหายเลยทางใครทางมันนะเราไปเข้าคอร์สไปหาครูบ า, าอาจารยนะ์เลยไปเรียนวิธีปฏิบัติเทนั้นเมื่อได้วิธีปฏิบัติแล้วต้องปฏิบัติให้ได้ไปด้วยตัวของตัวเองได้ดีที่สุดนะทางทางนี้เรียกว่าเอกายนามัคทางของคนที่เดินคนเดียวอันนี้ คำตอบแบบปันธงคือไม่ควรไปถูกไหมคะหลวงพ่อไม่ได้บอกอย่างนั้นลูกศิษย์บอกเองค่ะหลวงพ่อบอกว่าทางใครทางมันค่ะขอบขอบพระคุณค่ะจริงๆนะบางคนภาวนาเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเคยบ่นให้หลวงพ่อฟังนะว่ามีพระองค์หนึ่งนั่งภาวนาอยู่แล้วใจกำลังรวมสงบเลยนะแล้วเขาข้อระคังได้เวลาทาวัดนะ่ะกลัวจะไม่ได้ทาวัดล้วถอนจิตออกจากสมาธิ ว่าครูบาอาจารย์ว่าเอานะว่าตอนนั้นไม่เป็นแล้วอย่างเงี้ยงั้นอย่างเราไปทําพร้อมๆกันเนี่ยถึงเวลาเขาจะต้องไปกินข้าวถึงเวลาตอนนี้จะเดินละตอนนี้เขาจะนั่งแล้างเงี้ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันดีไม่ดีมันกวางกันไปกวางกันมานะกับเรียนหลวงพ่อครับส่งการบ้านในรอบหลายเดือนที่ผ่านมานะครับครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้การบ้านให้แยกท่าแยกผ่านนะครับเท่าที่ฝึกปฏิบัติมาคือคิดว่าเริ่ม เหมือนจะเริ่มเห็นว่าจิตจิตมีความเป็นอนัตตาครับคือเออบางบางครั้งนะครับหลวงพ่อไม่ได้เห็นทุกทุกครั้งนะครับคือบังคับไม่ได้เหมือนการทางานของของเขาเองครับอันอันนี้คือเริ่มเดินปัญญาได้นิดนึงใช่ไหมครับใช่ใช่ครับครับถ้าเห็นไจรักษณนะทําวิปัสสนาละครับอย่างนี้เราเห็นอนัตตาเขาทำงานได้เองครับแล้วสิ่งที่จะทำต่อไปเพื่อจะเดินปัญญาต่อไปให้คอรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนออกไปนะจิตนานี้เข้าฐานไหม ก็ค่อนข้างคิดเดยอะครับหลวงพ่อรู้สึกไม่ว่าจิตอยู่ข้างนอกจิตมันไม่เข้าฐานตัวนี้ดูออกไหมลองย้อนมาดูจิตสิมันจะดีดออกเออที่รู้ทันความคิดในขณะไม่ไมสักครู่นี่คือเข้าฐานไหมครับหลวงพ่อไม่นั่นจงใจไปรู้เวลาใจไหลไปคิดเนี่ยเรารู้ทันว่ามันไหลไปคิดนะมันจะเข้าฐานคือเราต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้มากๆนะแล้วการเดินปัญญาทำวิปัสสนาจะได้สะดวกกว่านี้จิตไหลไปคิดไหม เนี่ยแค่รู้ทันตรงที่รู้ทันว่าจิตไหลไปคิดรู้สึกมันมันมีอยู่แว บ, บหนึ่งอ่ะที่มันรู้สึกตัวขึ้นมาเราไม่มีอะไรเลยนั่นเป็นความรู้สึกตัวที่สบายๆนะ น, นมสะะัสกัลหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อประมาณต้นปีหลวงพ่อเมตตาให้กันบ้านว่าให้ไปทําในรูปแบบให้มากขึ้นเจ้าค่ะ ก็หลังจากนั้นก็ทํามาจนสม่ําเสมอทุกวันเจ้าค่ะแล้วมันก็หนูก็รู้สึกว่าภาวนาได้ตั้งมั่นมากขึ้นแต่เมื่อสองสาเดือนที่ที่ผ่านมาจนถึงจนจนเมื่อสองสเดือนเนี้ยเจ้าค่ะคือมันเหมือนรู้สึกหวงตัวเองหนูหนูบางทีคือร้องไห้ออกมาได้เลยเจ้าเขามไม่อยากยอมรับว่ามันไม่มีแล้วก็ไม่อยากให้มันไม่มีหนูเสียใจอะไรเงี้ย คือเราเราเคยชินนะเรารักกายรักใจนี้มากเหนียวแน่นมากเลยพอวันหนึ่งเราพบความจริงว่ามันไม่ใช่สมบัติของเราเนี่ยนะใจมันยังยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ก็อดทนเอาให้รู้ทันใจที่เศร้าหมองพอรู้ทันนะใจก็เป็นกลางขึ้นมานะดูไปเรื่อยวันหนึ่งใจมันก็ยอมรับเป็นทุกคนแหละ<ช>พอเห็นว่าตัวเราไม่มีบางคนก็ร้องไหนะ้บางคนเสงงบางคนไม่ยอมภาวนานเลย ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้มันเหมือนมันโมหะมันคล้อมันภาวนาไม่ได้เหมือนรู้สึกว่าการภาวนามันถอยหลังลงดูเยอะค่ะไม่ทราบว่าหนูทําอะไรผิดหรือว่าถ้าจิตไม่มมีไ่ผิดหรอกเป็นธรรมดาคือถ้าดูจิตไม่รู้เรื่องนะก็เห็นร่างกายไปเห็นกายกับจิตเป็นโคนละอันไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าสภาวะที่จิตรู้กายแล้วจิตแยกจากกายเจ้าค่ะแต่ในสภาวะที่อะไรไม่รู้แยกจากจิตนี่คืออะไรอะคะเจ้าไม่ไม่เป็นไรไม่รู้เลยยิ่งดี มันไม่มีความเข้าไปแปลนะไม่มีแต่ชอบมันมันมีความสุขอะเจ้ะเอออย่าไปติดมันก็แล้วกันมีความสุขให้รู้ทันนะเจ้าค่ะสังขารที่ละเอียดไม่มีชื่อหรอกเห็นสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็หายไปคําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปนเรื่องนี้ดีนะบาลีแบบยังกินจสมุทยะธรมมังสับพันต่างนิโรธาธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับสิ่งนั้นทั้งหมดนั่นแหละดับไม่รู้ว่าคืออะไร แค่ซ้ำติงเท่านั้นที่เกิดอ้าวว่ามากราบนมัสกรารหลวงพ่อครับเมื่อเร็วๆนี้ผมนั่งสมาธินะครับทีนี้รู้สึกถึงสภ า, สภาวะจิตที่มันเหมือนกําลังจะเปลี่ยนสภาวะไปเหมือนกาลังมันกําลังจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเหมือนจะจะแหวกออกมาหรือจ ะ, อจะกําลังจะแต่ผมกลัวก็เลยมันก็ถอนนะงนั้ น, นมันก็ไปไม่ได้แต่ว่าเราห้ามมันไม่ได้นะอย่าไปเสียดายมัน ภานาอีกถ้ามันเป็นก็เป็นไม่เป็นก็อย่าไปเรียกร้องหามันถ้าไปอยากให้เป็นจะไม่เป็นอีกเลยอย่างนี้แสดงว่ามาถูกทางแล้วหรือป่าครับถูกสิถ้าทุกวันนี้ที่เจริญสติอยู่ก็ใช้ได้นะแต่ว่าจิตถึงฐานหรือเปล่าคนาดนี้ตอนนี้ตื่นเต้นนะครับรู้สึกไหมมันอยู่ข้างนอกหรือว่าบังคับอยู่บังคับอยู่เออให้รู้ทันตัวนี้ทาให้จิตไม่ถึงฐานดีใช้ได้ กลับน้ำมัศการครับหลวงพ่อครับก็ไม่ได้ส่งการบ้านหลวงพ่อมาปีกว่านะครับก็ไปฝึกดูก็โดยรวมแล้วก็คิดว่าตัวเองดีขึ้นนะครับสมาธิดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ผ่านบททดสอบมาก็ยังเห็นว่าตัวเองก็ยังได้ยังไม่เท่าที่ตัวเองคาดหวังเท่าไหร่ดีนะดีที่รู้นะครับทีนี้สิ่งที่ปฏิบัติมาโดยโดยปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ดูความคิดที่ไหลไปคิดบ่อยนะครับแล้วก็ จะดูเรื่องกายค่อนข้างบ่อยนะครับปัญหาที่คิดว่าน่าจะเป็นอยู่ก็คื อ, อ, อจะดูเรื่องเสียงกระทบครับแล้วที่นี้หลังๆมาเนี่ ย, ยกระทบแล้วดูอะไรล่ะ ก, ก, ก็ทำให้มีสติเกิดขึ้นนะครับออรู้สึกตัวขึ้นสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาช่วงหลังๆเนี่ยไม่แน่ใจาว่าเป็นหรือเปล่าก็คือว่าเวลาฟังธรรมหลวงพ่อหรือว่า อ, อ, อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยจะไม่ค่อยให้ค่ากับเสียงที่ได้ยินเท่าไหร่ มันเลยทําให้เวลาฟังทำหลวงพ่อเนี่ยมันเหมือนไม่ได้เข้าไปในใจอมไม่ได้ตั้งใจเหมือนกับที่เคยเป็นคือเราต้องไม่จงใจไปดูตรงที่กระทบนะถ้าจงใจดูที่กระทบเนี่ยจิตไม่ทํางานต่อกูศลก็ไม่เกิดอากูศลก็ไม่เกิดเคจะว่างๆไปต้องต้องไม่ไปตัดวิธีจิตให้จบลงที่หูถ้านะให้จิตมันทํางานต่อให้ได้ครับถ้าเรากาหนดอยู่ที่เสียงบางคน ทำกรรมฐานนะกําหนดที่เสียงบางคนกําหนดไว้ที่หูบางคนกนํหานกหนดอยู่ที่จุดสัมผัสระหว่างเสียงกับหูผัสสะนะบางคนเพ่งความรู้สึกไว้ที่หูผิดได้สแบบตัวที่หูได้ยินเสียงเนี่ยผิดได้4ชนิดเลยนะถ้าไม่ไม่ผิด4ชนิดเนี่ยถ้าเสียงบางอย่างเนี่ยจิตมันสัญญามันแปลแล้วมันมีค่ามันจะส่งสัญญาณเข้ามาใจให้ใจปรุงต่อนะปลุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่ว แต่ถ้าเราไปตัดอยู่ที่สี่จุดนะั้นนะหนึ่งไปเพ่งเสียงสองไปเพ่งหูสามไปเพ่งผัสสะสี่ไปเพ่งจิตที่หูนะีอย่างเนี้จะไม่มีการทํางานเข้ามาที่ใจเลยกิเลสก็ไม่เกิดนะกุศลก็ไม่เกิดครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะต้องปล่อยนะให้มันทํางานอย่าไปรีบไปล็อกมันไว้เร็วงั้นผมควรจะเปลี่ยนวิธีการดูนะอย่าไ ป, <ะ>อา เ, ปเอาเสียงสินะครับนะเล่นเสียงนี่เล่นยากกขอบพระคุณครับ นมาส ก, การเจ้าค่ะว่าไงไม่ได้ส่งมาปีกว่าแล้วค่ ะ, ะปีกว่าแล้วค่ะเนี่ยแต่ละคนบอกไม่ส่งปีกว่าไม่ส่งสามปีหลวงพ่อรู้สึกแป๊บเดียว <c oughs> อว่ามาคือช่วงนี้เอมอีเวทนามาให้ดูนะคะอ <c oughs> เป็นนิ้วในถุงน้ำดีนะคะ อ, อก็ดูที่ความไม่เป็นกลางอืต้องไปหาหมอด้วยนะดูอย่างเดียวไม่หายไปค่ะแต่ อปัญหาก็คือเวลาไปหาหมอจะบอกอาการของทางกายไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะคะเหมือนกับไม่ค่อยรับรู้ทางทางกายนะคะเพราะดูอยู่ที่จิตที่ไม่เป็นกลางอ๋อเหรอหมายพราวนาสู้ตายเลยอย่างนั้นแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็คือพอดูดูไปคือตอนนี้มีทุกวันไงมีมาให้ดูตลอดอก็หายหายแวบไปเลยอะ หายไปหมดทุกอย่างอะไรหายแล้วเหลือความรู้สึกตัวไหมความไม่ไม่ใช่ความไม่เป็นกลางแล้วก็ความปวดแล้วก็เหตุที่ทำให้เกิดแล้วเหลือความรู้สึกตัวไหมมีค่ะเออถ้ามีอยู่ใช้ได้นะแต่ว่าคือคือหลังจากนั้นมันก็โล่งสว่างแล้วก็อืมก็แล้วเราจะดูอะไรต่อไม่มีตรงนั้นไม่มีให้ดูนะเออไม่มีเห็นไหมไม่มีเราไม่มีค่ะเชื่อยังว่าไม่มีเราจริงๆ เชื่อคะ่ะเพราะว่าปกติก็ดูว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นการทํางานของธาตุขันอยู่แล้วคะ่ะนั่นแหละภาวนาดีนะภาวนาถูกแล้วนะคะก็คือหลังแล้วหลังจากที่จะเกิดหายไปนะคะเเดี๋ยวมันก็มามาแล้วดูใหม่แต่ว่าใจเราเปลี่ยนไปรู้สึกไหมใจเราเชื่อแน่นแฟนแล้วว่ามันไม่มีเราตรงไหนใช่ค่ะนะนั่นแหล ะ, ะภาวนาก็ไปอย่างนั้นแหละต่อไปก็ดูธาตุขันนี้ไม่ใช่เราหรอกนะมีแต่ตัวทุกข์นะ ใช่ค่ะนื้ดูอย่างนั้นเล่ไปนะเพราะาน่าถูกแล้วนี่แล้ว ม, มีมีมีอีกข้อนึงค่ะคือสภาวะที่ีเป็นมีความสุขอยู่ข้างนอกนะคะอืกับเข้าสมาธินะคะความแตกต่างกันเป็นยังไงค ะ, ะความแตกต่างกันนะคะอ้ะาวเขาต้องไปเข้าดูสิ <c oughs> เวลาที่เข้าสมาธิเองแบบจิตที่เข้าสมาธิเองนะคะทำไมนะมันก็โล่งใช่สิแล้วเวลาอ๋อ แต่เวลาที่หนีออกไปมีความสุขคือไม่เข้าฐานเพราน่มันหลงกันสิหลงเพลินๆไปก็มีความสุขได้นะคือที่ไม่เข้าฐานนั่นนะใช่นะให้มันอยู่ในฐานนะไงั้นออกข้างนอกไปกราบธรรมสการหลวงพ่อค่ะว่าไงหนูส่งกันบ้านล่าสุดหลวงพ่อให้ไปดูสภาวะเกิดดับนะคะแล้วเมื่อวันจันทร์ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยค่ะหนูเดินไปทุร้าข้างนอกบ้านอยู่ๆมันก็แบบว่าเหมือนล้อมือผัก อ, กอกตัวเองอะคะ่ะแล้วมันก็แน่น แน่นต้องแต่ตรงหัวใจลงมาถึงท้องอะคะ่ะมันแน่นปึกไปหมดเลยมันเป็นเองหรือแบบนี้มันจะเป็นแบบแพ่งหรือว่าหนูคิดไปเองคะฮะถ้ามันแน่นเราก็เพ่งสิ แ, แต่บางทีมันมาจากคนอื่นก็มีน ะ, ะเราไปอยู่ใกล้คนแน่นๆเราก็แน่นไปด้วยก็มีแล้วอีกวันหนึ่งมันก็โล่งสบายขึ้นแต่พอตกกลางคืนของอีกวันหนึ่งมามันก็แบบแน่นเหมือนเดิมะคะ่ะแน่นปึกไปหมดเลยอะแล้วข้างขวาไม่เป็นไรนะคะอแล้วหนูก็หายใจไม่ค่อยออกอะคะ่ะ นั่นเรเราก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆเราดูไปถ้าจะตายก็ให้มันตายไปเราจะอยู่กับพระไว้สวดมนต์ไปเรื่อยๆคขอบคุณค่ะการนมัสการหลวงพ่อค่ะการปฏิบัติของเข็มเนี่ยมันเกิดเวทนาค่ะหลวงพ่อเยอะมากเคยเข้าแอดมิทที่โรงพยาบาลหลายรอบมากแต่ก็เราฝึกนะแยไกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเป็นคนดู มันเกิดอาการปวดปวดในถ้าเป็นเมื่อก่อนคิดว่าปวดในกระดูกะคะ่ะหลวงพ่อ mm hmm. แต่พอใช้จิตเข้าไปดู mm hmm. การปวดรู้สึกว่ามันไม่ใช่รู้สึกมันจิตมันกําหนดรู้มาว่าปวดในเอน mm ็น hmm. ที่รัดกระดูกะคะ่ะออื hmm. แล้วการรัดของเอ็นเนี่ยมันตึงะคะ่ะหลวงพ่อ mm hmm. มันก็เลยเกิดจากความปวดหนักมากอื mm hmm. จนถึงขั้นเปลี่ยนเป็นร้อนนะคะห mm hmm. ลวงพ่อแล้วเคยเป็นแบบนี้นะคะ่ะ จนเปลี่ยนเป็นเย็นนะคะเรากำหนดจิตใส่เอ็นสิใช้จิตที่อ่อนโยนใช้จิตที่นุ่มนวลใส่มันสงสัยอะค่ะหลวงพ่ อ, อว่านุ่มนวลทำอย่างไรทำใจให้สบายมองมันอย่างรักใคร่เอ็นดูสงสารไม่ได้มองแบบกงังวลค่ ะ, ค, ะค่อยๆมองไปด้วยความรู้สึกผ่อนคลายแล้วเกิดการปวดจนเปลี่ยนเป็นเย็นแล้วเป็นเหน็บชาเหมือนเป็นยิบยิบยิบยิ บ, ยบนีกายเราเนนะะอย่างนี้ค่ะ เราก็ดูไปเรื่อยนะสวด<ะ>มนต์ไปอะไรไปแยกธาตุแยกขันธ์ไปเรื่อยแยกไปเรื่อยสุดท้ายก็เห็นแต่แต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่มีเราที่ไหนเลยการทำพิธีการหลวงพ่อค่ะครั้งก่อนที่มาส่งการบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกให้แอธภาวนาพุโทโธไปอะค่ะตอนนี้ที่ปฏิ บ, บัติอยู่ดีขึ้นไหมครหลวงพ่ อ, อหนูว่าดีไหมล่ะ <laughs> <laughs> มันต้องรู้ด้วยตัวเองนะถ้ามาถามหลวงพ่อหลวงพ่อว่าดีสิปฏิ บ, บัติพุโทโธก็ต้องดีเลย แล้วหนูต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมคะหลวงพอ่อรูพูดโทรไปแล้วใอยรู้ทันใจ ใ, ใจมันกรดีกระด้ากระดุกดกร ะ, ะดิกเลยนะรู้รู้ไปเรื่อยๆไม่ห้ามมันนะดูความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นะดูเขาทํางานไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราก็จะเห็นเลยเขาไม่ใช่เราเขาทํางานของเขาได้เองค่ะหลวงพอ่อเราเคยมีค่ะเคยแอดอยู่เฉยๆแล้วอยู่ดีก็มีมันมีคําว่าศักกายทิฏฐิขึ้นมาให้รู้ะอะค่ะทั้ง ท, <อ>งที่ก่อนนี้แอดไม่รู้จักคํานี้เลยอะไม่เป็นไรแค่รู้เท่านั้นแหละ ไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกบางทีจิตนะ่ะสอนอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยนะอย่าไปเชื่อมันไม่ให้เชื่อแล้วค่ะหลวงพ่อไม่ต้องไปเชื่อมันนะให้รู้ทันจิตไปได้วยจิตนั้นมันรู้อะไรได้สารพัดจะรู้นะถ้าเราไปสนใจจะยิ่งขยันรู้มากเลยแล้วไม่รู้อันเดียวไม่รู้กิเลสให้คอยรู้ทันกิเลสต่างๆนะหรือความสุขความทุกข์อะไรเกิดขึ้นในใจคอยรูนะ้ความสงบเกิดขึ้นรู้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นรู้นะ ถคอยดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าทุกอย่างเป็นของโชคคราวไปมดเลยกรบนมัส ก, การค่ะหลวงพ่อเอ่อไม่ได้ส่งกันบ้านมานานเอ อ, อยากจะถามหลวงพ่อค่ะเพราะว่าเวลาดูจิตเนี่เมื่อก่อนเนก็จะติดเพ่งปัจจุบันรู้สึกว่าลดลดลงถูกแต่ว่ามันก็ยังเป็นอยู่มันทําให้้มันทําให้ไม่สามารถเห็นสภาวะได้ ได้ชัดหรือบางทีมันก็ไม่เห็นเลยแล้วมันก็จะมาประคองอยู่ตรงเออถ้าประคอ ง, งอยู่ก็ไม่เห็นสภาวะนะคะแต่ต้องตั้งมัน่นแพทย์เป็นคนดูสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆถึงจะเห็นไม่รู้จะทําสบายๆ <c oughs> ไม่ต้องทํานะให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วใจเราไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบไปเป็นกลางกับมันไว้ตรงที่เป็นกลางนะั้นมันจะพอดีเองอ่่ะคอย่าไปเกลียดมันถ้าดูกายไปก่อนได้ไหมคะได้เห็นร่างกายมันพูดเห็นร่างกายมันยิ้มเห็นร่างกายพยักหน้านะ เล้ยเลี้ยงลูกแล้วโมโหรั่วโมโหอะไรอย่างนี้นะก็กลับมาดูจิตได้ได้ค่ะคขอบพระคุณค่ะอะอยากก็ทราบ ว, ว่าที่ทําอยู่ถูกหรือเปล่าครับเพโอ้ถ้าทําก็ถูกแล้วไม่ทํำก็ไม่ถูกหรอกเห็นกิเลสไหมล่ะก็ก็เห็นครับเห็นไหมกิเลสกับจิตเป็นคาานละอันเห็นครับโอ้ถูกแล้วล่ะเห็นไหมว่าเราสั่งไม่ได้ครับเอ้นั่นแหละ ด, ดีจิตเข้าฐานหรือเปล่าตอนนี้เหมือนกระจายกระจายออกถูกต้องอีกใช้ได้แล้วทำถูกละครับแล้วทําไงให้มันเข้ามา อย่าไปให้อยากเข้านะครับแต่ถ้ามันกระจายไม่เลิกไม่ยอมมาสักทีก็ช่วยมันนิดหน่อยวิธีช่วยมันนะบางคนแค่รู้ว่ากระจายออกนอกก็เข้ามาแล้วถ้ามันไม่ยอมจริงๆนะเอาความรู้สึกตัวจับไว้ที่ลมหายใจนะแล้วก็หายใจเอาความรู้สึกตัวเนี้กลับเข้ามาแต่วิธีนี้ใช้ได้หายใจได้ทีสองทีพอนะอย่าใช้หลายผลถ้าหลายผลจะแน่นไปเลยครับคือดูแบบว่าเหมือนกับว่ามันมีอะไรผุดๆขึ้นมาอย่ น, น, นะดูไปสบายๆนะ แต่ใจเราไม่ถลําลงไปที่ผุดๆนะอย่าไปอยากรู้ให้ชัดนะว่าคืออะไรถ้าอยากรู้ให้ชัดจะถลำลงไปจ้องเหมือนชะงกไปดูของในน้ำเลยตกบ่อไปครับอขงดูห่างๆ ก, การนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านในรอบสี่ปีค่ะตั้งแต่ยุคสมัยหลวงพ่อบอกว่าอย่าโกรธค่ะก็คิดว่าสี่ปีที่ผ่านมาก็ดีขึ้นแล้วเรื่องไม่ค่อยโกรธแล้วก็ รู้สึกว่าใจเย็นเย็นขึ้นนะแต่ว่าบางทีก็ยังมีความโกรธแรงๆผุดขึ้นมาในใจก็คิดว่าห้ามไม่ได้นะเราแค่พอเราไม่ได้ไปเก็บกดไว้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นจิตจะโกรธเราก็ห้ามไม่ได้ดูออกไหมค่ะนั้นะเราเฝ้าดูไปเรื่อยนะร่างกายก็เหมือนมันแยกออกไปอยู่ต่างหากนะใจเราอยู่ต่างหากอันนี้เห็นใช่ไหมเห็นค่ะนั้ออนแะยกขันได้แล้วล่ะเมื่อแยกขันได้เราก็ทํำวิปัสสนาได้ก็คือเห็นความจริงว่าแต่ละขันมันทํางานเองมันไม่ใช่เราหรอก คือตั้งแต่ตอนที่หลวงพ่อเทศเรื่องให้แยกธาตุแยกขันนะคะก็รู้สึกว่าเป็นสภาวะที่เคยเห็นเนี่ยแหละของเป่ามันเคยทำนะแล้วก็จะง่ายแล้วตอนหลังก็เลยกลายเป็นว่าพยายามที่จะแยกให้ใจมันรู้สึกตัวใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันแยกของมันเองมันเคยแยกแล้วแล้วก็เวลานั่งสมาธิลงไปแล้วมันก็จะไปจนถึงสภาวะหนึ่งซึ่งมันนิ่งแล้วก็ไม่มีความคิดไม่มีภาษาอะไรเข้ามาค่ะ แล้วพอถึงตรงนี้สักพักหนึ่งก็จะเริ่มเกิดความสงสัยต่อว่ า, าะจะทำอะไรแล้วจิตมันก็จะขึ้นมาว่าสงสัยสงสัยทำยังไงต่อรู้ว่าจิตมันเปลี่ยนไปแล้วไงเนี่ยของไม่เที่ยงให้ดูแล้วนะแต่เดิมนิ่งตอนนี้ไม่นิ่งแล้วเท่าเทียมกันนะระหว่างนิ่งกับไม่นิ่งก็ทำอย่างนั้นไปใช่ใชานามส ก, กานค่ะหลวงพ่ อ, อคือคือหนูก็นั่งสมาธิมานะคะแล้วพอ แล้วก็เคยฟังซีดีหลวงพ่อมาค่ะแต่ก็ไม่ได้สม่ําเสมอมากจนเมื่อสองสามเดือนหลวงพ่อได้ไปที่การไฟฟ้านะคะหนูก็ไปได้ซีดีชุดใหม่มาแล้วก็มานั่งสมาธิคือในซีดีหลวงพ่อบอกว่านั่งสมาธิไม่ได้เอาเวลาทุกทีจะนั่งแบบสิบห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็ก็ลองไม่ตั้งเวลาดูก็นั่งไปแล้วก็คือมันก็รู้สึกว่าคือก็ตามรู้นะคะเหมือนพอไปแล้วก็ตามไปแล้วคราวนี้ก็ พอหลังจากที่ถอนออกมานะคะก็รู้สึกว่าเออมันรู้สึกได้เหมือนได้พักมันรู้สึกเหมือนโล่งมันรู้สึกเหมือนสบายมันไม่เคยรู้สึกอย่างนี้นะ ค, ะค่ะค่ะก็เลยดีนะที่ไม่ดือ้อลองทําดู <c oughs> บางคนไปนั่งสมาธิเอาเวลามองคนจะนั่งเอาสงบไปบังคับให้สงบแล้วก็ไม่สงบหรอกไปนั่งเอาเวลา <c oughs> นั่นก็เครียดนะ <c oughs> นั่งเล่นๆ <c oughs> น, นั่งรู้สึกตัวไปนั่งดูมันไปนะ <c oughs> นันสงบเองง่ายค่ะ <c oughs> แล้วอย่างนี้หนูคือต้องทํา พ, พ อ, พอทำสมาธิพอสงบแล้วพอจิตถอยออกมาแล้วก็รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปเรื่อยๆแล้วดูตอนไหนวุ่นวายแล้วก็กลับมาทําสมาธิให้สบายใจค่ะอย่างนี้คือหนูทํามาก็ <ทำ S 1> ถูกทาถูกแล้วละ่ละนะก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอคะหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อคขะ หนูขอความเมตตาพอดีหนูพาแฟนมานะคะเขาไม่ยอมยังไม่ยอมจะส่งกันบ้านเลยค่ะหนูต้องทำแทนเดี๋ยวทใจคือก็อย่าไปบังคับเขานะก็เป็นครั้งแรกที่เขามาแบบก็ด้วยความที่ลูกสาวก็ขอให้มาอะไรอยงี้ค่ะเขาก็เขาก็มาก็เลยอยากให้หลวงพ่อเมตตาวิธีวิธีที่ดีที่สุดนะเราพัฒนาใจของเราชินเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราอย่างเห็นได้ชัดอะเป็นในทางดีนะไม่ใช่ร้ายกาดขึ้นมา ต่อไปเขาค่อยสนใจเองแหละอย่าไป เ, เครียดเข็นนะค่ะเครียดเข็นแล้วเครียดเครียดภาวนายากถ้าคนสุดท้ายนะใคอยากกลับก็กลับไปเลยเอาย่อๆนะไม่ต้องยาวคนนี้ไม่งันนี้จะเล่า น, นิยายครับนมรสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะ อ, อหลายเดือนที่ผ่านมานี่เนั่งสมาธิเห็นหรือเปล่าว่ามันไม่เหมือนเดิมยังไม่ค่อยเห็นเลยเจ้าคะ่ะแล้ว เ, เห็นอะไรล่ะหือ บางครั้งก็รู้ว่าจิตมันนิ่งๆคือเดินเดินจงกรมไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าเดินสวนสาธารณะแล้วก็ถวายเป็นเดินจงกรมได้ได้นั่นทำเกือบทุกวันเจ้าค่ะดีไปเดินสวนสาธารณะนะแล้วก็แต่ว่ามันไม่เห็นแยกธาตุแยกขันเลยเจ้าค่ะจิตก็ไม่เข้าฐานด้วยรู้ด้วยว่าจิตไม่เข้าฐานถ้ารู้ว่าจิตไม่เข้าฐานใช้ได้นะเห็นหรือเปล่าว่ามันสบายใจขึ้น เห็นเจ้าค่ะอ๋อนั่นแหละยังบอกว่าดูจิตไม่เปลี่ยนอีกเมื่อก่อนนี้เครียดจะตายไปตอนนี้ยังหน้าตายิ้มแย้มขึ้นแล้วใจไม่เหมือนเดิมทีเดียวหรอกเราต้องทํายังไงต่อเจ้าค่ะทำใจอย่าไปรีบร้อนไปเดินสวนสาธารณะหลวงพ่อยังอยากเดินเลยแต่ไปที่ไหนก็ลําบากนะไปที่ไหนคนก็เข้ามาคุยเราอยากเดินเล่นหนก็ไม่ได้ที่โหดที่สุดเลยจะเข้าปั๊มน้ํามันจะไปห้องน้ํานะมากราบอยู่นั่นแหละขอถามก็มาถานอย่างเงี้ย เราจะเป็นจะตายอยู่แล้วยังมีบุญนะได้ไปสวนสาธารณะขอพระคุณเจ้าค่ะ